การมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเป็นการมาสะสมทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กว่าทรัพย์ภายนอก เพราะทัพย์ภายนอกนั้นเป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นทัพย์ที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์ภายนอกนี้ใช้ได้ในขณะที่มีร่างกายเื้อความสุขต่างๆได้ แต่เป็นความสุขป้อมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ต้องมีการพลาดพลาดจากกันแต่รับภายในนี้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่ไม่มีการพลาดพลาดจากกัน เป็นทัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปหลังจากที่ร่างกายนี้ต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟร่างกายก็จะสลายไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ เพราะกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปแต่ใจผู้ที่ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทาสิ่งต่างๆไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะเป็นผู้เอาทรัพย์ภายในไป ถ้าไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในก็จะไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปถ้ามีทรัพย์ภายในก็จะไปแบบสบายไปแบบสุขทรัพย์ภายในนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันเรียกว่าโลกิยทรัพย์ กับโลกุตระทรัพย์โลกิยศทรัพย์นี่ยังเป็นทรัพย์ที่มีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้ส่วนโลกุตรทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมไม่หมดแต่ก็ต้องใช้การพัฒนาจากโลกิยศทรัพย์ขึ้นไปสู่โลกุตระทรัพท์ โลกิยะทรัพน์นี่มีอยู่สองระดับคือเทวทรัพย์กับพรหมทรัพย์ก็คือเทวโลกหรือพรหมโลกหรือเทวดาหรือพรหมผู้ที่สะสมเทวทรัพย์ก็คือผู้ที่ทำบุญทำทานผู้ที่รักษาศีลห้า ถ้ารักษาศีลห้าและทาบุญทำทานก็จะได้เทวซันะ์ตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาไปอยู่เทวโลกชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับบุญที่ทำขึ้นอยู่กับที่ศีลที่รักษาว่ารักษาได้มากได้น้อยทำบุญได้มากได้น้อย ทำบุญได้มากรักษาศีลได้มากก็จะได้สวรรค์ชั้นเทวาเทวาโลกนี้ชั้นสูงถ้ารักษาได้น้อยแล้วทำบุญน้อยก็อยู่ในเทวโลกชั้นต่ำและบุญที่ได้ทำไว้กับศีลที่ได้รักษาไว้ก็จะเสื่อม หมดกำลังก็จะทำให้จิตใจเสื่อมลงมาสู่ระดับของมนุษยโลกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญมารักษาศีลใหม่เพราะโดยปกติผู้ที่เคยทำบุญผู้ที่เคยรักษาศีลก็จะมีนิ ส, สัยในทางนี้เวลากลับมา เกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาทำบุญกลับมารักษาศีลใหม่เพราะเป็นความเคยชินเป็นความสุขอย่างหนึง่งส่วนผู้ที่นอกจากทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วยังสามารถรักษาศีลแปดได้และสามารถจเจริญสติ ทางสมาธิทําใจให้สงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็จะได้ซับเอกระยะซับภายในเอกระดับหนึ่งคือระดับพรหมมาซับระดับพรห ม, มโลกถ้าร่างกายตายไปก็จะได้ไปเป็นพรหมไปอยู่ในพรห ม, มโลกชั้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับกำลังของฌานของสมาธิที่มีอยู่แปดเก้าระดับด้วยกันคือฌานสี่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่และเ <c oughs> วดิตะอะไรนิโรธสมาบัติอันนี้ก็เป็นความสงบในระดับต่างๆของผู้ที่บำเพ็ญ สมาธิจะพึงได้รับแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ได้ฌานระดับต่างๆก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นต่างๆแต่ก็เป็นสวรรค์ที่ยังมีวันเสื่อมมีวันหมดเพราะอำนาจของสติของสมาธิที่ได้ส่งให้จิต ขึ้นไปสู่ชั้นพรหมก็ยังมีวันเสื่อมได้หมดได้ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ของอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ใจก็จะค่อยๆเสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาตามลำดับแล้วก็มาเข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็เสื่อมลงมา สู่ระดับของมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีนิสัยติดตัวมาด้วยคือนิสัยชอบทําบุญทําทานนิสัยชอบรักษาศีล น, นิสัยชอบภาวนาชอบเจริญสติชอบนั่งสมาธิก็จะทํากลับมาทําต่อ แล้วพอตายไปก็กลับขึ้นไปใหม่นี่คื อ, อ, อซับภายในระดับโลกิยะที่ทำให้ผู้บำเพ็ญ น, นั้นยังต้องมีการขึ้นลงขึ้นลงในระหว่างพบต่างๆอยู่แต่ถ้าต้องการที่จะขึ้นไปแบบไม่ลงมาก็ต้องรอ พระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษารั์ภายในที่ได้สะสมไวน้นี้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดไปต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ที่ทรงค้นพบว่าเหตุที่ทาให้ซั์ภายในที่ได้สะสมไวน้ น, สสไวนั้นเสื่อมหมดไปคืออะไร แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะกาจัดเหตุที่ทำให้ทรัพย์ภายในที่ได้สะสมไว้ที่เสื่อมหมดไปนั้นไม่ให้เสือ่อมไม่ให้เสื่อมหมดไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสร่งก็จะไม่มีใครสามารถจะก้าวเข้าสู่ขั้นโลกุตตรทรัพย์ได้ คือขั้นที่ได้ทรัพย์ระดับนี้แล้วจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันหมดต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตวและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ติดอยู่ในระดับพรหมทรัพย์พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับโลก โลกุตระซั์ได้เลยเปลี่ยนจากโลกิายาซั์มาให้เป็นโลกุตรทรัพยบโลกุตระซั์นี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันเรียกว่าอริยทรัพยบที่เกิดจากการบําเพ็ญปัญญาหรือวิปัสสนาที่จะ กรรมจัดเหตุที่ทำให้ทรัพย์ภายในเสื่อมเหตุที่ทำให้ทรัพย์ภายในเสื่อมก็คือตันหาทั้งสามกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เองกามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่ไม่เป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีในสิ่งที่มีความอยากไม่เป็นในสิ่งที่เป็นอยู่อันนี้เป็นตัวที่จะมาทำลายอริยรัพ์รัพภายในระดับพรหมรัพระดับเทวรัพให้เสื่อมหมดไปถ้าสามารถเจริญปัญญาเห็นว่า สิ่งต่างๆที่ตันหาอยากได้อยากเสพเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือภาวะต่างๆนั้นล้วนเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาถ้าอยากได้ก็จะได้ความทุกข์มาเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นอนิจจง <c oughs> เป็นอนัตตาเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไป มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ถ้าเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราก็จะระ ง, งับดับความอยากทั้งสามได้ระ ง, งับดับกามะตันหาภาวะตันหา วิภาวะตัณหาได้เมื่อรังับได้ก็จะสามารถที่จะรักษาทรัพย์ภายในที่สร้างไว้ให้คงอยู่ต่อไปเปลี่ยนจากโลกิยทรัพย์มากลายเป็นโล ก, กุตตระทรัพย์ในระดับต่างๆระดับแรกก็เรียกว่าระดับโสดาโสดาบัน อริยทรัพย์ระดับสโสดาบันนี้จะทำให้จิตนี้จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากในระดับที่สองเรียกว่าสกิร ด, ดาคามีผู้ที่ได้อริยทรัพย์ในระดับที่สองนี้ก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียว แล้วถ้าได้อริยทรัพย์ในระดับที่สามคืออนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังติดอยู่ในระดับพร ม, มโลกอยู่ยังไม่ยังไม่หลุดออกจากในระดับของโลกียทรัพย์อย่างถาวร แต่ถ้าได้ระดับที่สี่ได้ระดับอราหารนต์ก็จะหลุดออกจากโลกียะ โ, โ, โลกียะโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่เสื่อมอีกต่อไปจะจะอยู่ที่พระนิพพานนี่คือทรัพย์ที่ถาวร อานิภานนี้เป็นทรัพย์ภายในที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการเป็นทรัพย์ที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สั่งมีผูมาเป็นผู้สั่งผู้สอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา คือไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระอริยสงสาวกเราจะไม่เข้าไม่ถึงทรัพย์ภายในในอริยในระดับอริยะทรัพย์ได้ในโล ก, กุตตะทรัพย์ได้เราจะเข้าได้แค่ในทรัพย์ภายในระดับเทวทรัพย์และพรหมทรัพย์เท่านั้นดังนั้นถ้าพบใดชาติใดที่พวกเราได้มา พบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นพบที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นมหาลาภมหาโชคสำหรับเราสำหรับผู้ที่มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะจะสามารถเข้าสู่ ทรัพย์ภายในระดับโล ก, กุตละทรัพย์หรืออริยะทรัพย์ได้สามารถที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติ คืออยู่ในโลกของเทวดาหรือโลกของปรมแต่ก็ยังต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิกันอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของซับภายในที่พวกเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกัน หรื อ, อยังไม่รู้กันก็จะได้รู้กันถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ฟังเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราอาจจะเข้าใจผิดไปคิดว่าเราเป็นร่างกายก็ได้แ้ะก็คิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครล่ะจะไป เป็นผู้รับผลบุญรับผลบาปต่างๆใครจะไปนิพพานกันจะถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังความรู้ของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ สั่งให้ทำบุญสั่งให้ทำบาปแล้วเป็นผู้ที่จะไปรับผลของบุญของบาปต่อไปถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการทาบุญในเรื่องของการละบาปในเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ คือจัดความอยากต่างๆกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้หมดไปจากใจเพราะเราเห็นว่าความสุขของเรานในขึ้นอยู่กับกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั่นเองเวลาเราเกิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไปเสบกัน พอเราเสพเราก็ได้ความสุขกันเราก็เลยไม่เห็นโทษของการเสพของการทำตามความอยากเพราะเราเห็นว่าเวลาเราอยากแล้วเราได้สิ่งที่เราอยากเรามีความสุขกันเวลาแต่งงานนี่จัดงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตเสียเงินเสียทองจ ะ, ะไปเช่าที่โรงแรมหรูหรา ทุกคนมีความสุขผู้คนไปร่วมงานออก็เลยเห็นว่าการมีความอยากการทำตามความอยากนี้เป็นการหาความสุขเป็นการสร้างความสุขกันแต่มองไม่เห็นผลที่ตามมาหลังจากที่ได้ทำตามความอยากแล้วออไม่เห็นเวลาที่หลังจากแต่งงานกันแล้ว เริ่มเกิดการทะเลาะบอแวงกันเริ่มเกิดการผิดใจกันขัดใจกันเริ่มเกิดกาเกิดเกิดความโกรธเกลียดกันจนในที่สุดก็อาจจะนำพาไปสู่การอย่าร้างกันอันนี้ก็เป็นผลลับผลที่ตามมาหลังจากที่ไปทำตามความอยากกันได้ความสุขจากความอยากกัน แล้วพอเหตุการณ์เปลี่ยนไปบุคคลเปลี่ยนไป เ, เคยรักกันเคยเอาอกเอาใจกันก็กลับมาไม่เอาอกเอาใจกันไม่รักกันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันทะเลาะเบาแว้งกันทำร้ายกันนี่ก็คืออนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขที่เกิดจากการทําตามความอยากเพราะสิ่งที่จะให้ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมและอาจจะมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดน อันนี้เป็นเพราะไม่ได้ใช้ปัญญากันไม่มีปัญญามองไม่เห็นกันจึงไม่เห็นโทษของการทำตามความอยากกันกเห็นคุณของการทำตามความอยากเพราะมันช่วยกำจัดความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการมีความอยากนี่เวลาอยากได้อะไรแล้วนี่ใจจะไม่สบายใจจะงดเหงิดนำคาญ แล้วพอได้สิ่งที่อยากได้มาความหงุดหงิดลาคาญนั้นก็หายไปก็เลยเห็นคุณของการทำตามความอยากแต่ไม่รู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างความหงุดหงิดความลำคาญใจให้กับตนเองและความหงุดหงิดลาคาญใจนี้หายไปก็เพราะว่าได้ไปทำตามความอยาก พอได้ได้ทำตามความอยากความหงุดหงิดความลำคาญใจหายไปความสุขความสุขใจสบายใจก็เกิดขึ้นมาก็เลยทำให้เห็นคุณของการทำตามความอยากก็เลยอยากไปเรื่อยๆพอเห็นอะไรชอบอะไรก็อยากได้ขึ้นมาพออยากได้ขึ้นมาความาหงุดหงิดลำคาญใจก็จะเกิดขึ้นมา จะหายไปก็ต่อเมื่อได้ไปทำตามความอยากแต่การทำตามความอยากนี้มันจะทำให้สบายใจชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อ ย, อยความอยากนี้จะมีมาเรื่อยๆถ้าเราทำตามความอยาก hmm. เหมือนกับการ เป็นการหล่อเลี้ยงความอยากการกระทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนหล่อเลี้ยงสนับสนุนความอยากให้มีโผลมาเรื่อยๆให้มาสร้างความารู้สึกปวดหิด ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเหงาเพื่อที่จะได้บังคับให้เราไปทำตามความอยากพอรู้สึกเหง า, ว, าว้เาเหวก็คิดไปแต่งงานกันพอใต้แต่งงาน ก, นกันก็มีความสุขกัน แต่เดี๋ยวความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะอยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องมีความเบื่อหน่ายมีความลำคาญมีการเห็นไม่ตรงกันมีการทะเลาะเบกแวงกันแล้วก็นำไปสู่ความเสียใจความทุกข์ใจกันอันนี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่คิดอย่างรอบครอบ จะมองไม่เห็นจะเห็นเพียงแต่ความสุขที่ได้รับในเบื้องต้นทำให้ความอึดอัดความไม่สบายใจหายไปอยากดื่มกาแฟถ้าไม่ได้ดื่มนี่มันจะรู้สึกอึดอัดอหงุดหงิดลาคาญใจพอได้ดื่มแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปก็เลยเห็นคุณของการดื่มกาแฟว่าเป็นวิธีหาความสุขสร้างความสุข แต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกาแฟาให้ดื่มแล้วอยากจะดื่มเนี่ยความสุขนั้นมันจะไม่มาความหงุดหงิดมันก็จะไม่หายไปมันก็จะอยู่คู่กับใจไปนานจนกว่าความอยากมันจะหมดฤทธิ์เมื่อความอยากหมดฤทธิ์แล้วความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากดื่มกาแฟาก็จะหายไป แล้วถ้าเกิดมีปัญญาเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากดื่มกาแฟและความทุกข์นี้หายไปก็เพราะว่าเราทนไม่ดื่มกาแฟได้พอเราไม่ดื่มกาแฟเพราะเราไปอยู่ในที่ไม่มีกาแฟให้ดื่มต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปหายไปแต่ถ้าเราไม่มีปัญญา ถ้าเรากลับมาอยู่ในที่ที่มีกาแฟพอเห็นกาแฟเราก็อาจจะอยากดื่มขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไปดืม่มเพราะเราคิดถึงเวลาดืม่มแล้วมีความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีความอยากจะดืม่มดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้เราไม่มีความรู้สึกบวชเหดตุ ถ้าเราไปดืม่มเดี๋ยวเราก็จะไปติดใหม่เราก็ไปสร้างความหงุดหงิดใหม่ท้าผู้มีปัญญาเราจะเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่ไปอยากได้ว่าไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงให้ความสุขปลอมที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาผู้ที่ได้เข้าถึงระดับ พรมมาทรา์แล้วคือได้ฌานแล้วนี่ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาความอยากและสิ่งที่อยากได้ว่าล้วนนำไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะปรากฏขึ้นมา แล้วถ้าไปทำตามความอยากก็จะได้ความสงบกลับมาชั่วคราวแล้วสิ่งที่ได้มาต่อไปก็จะสร้างปัญหาให้กับใจเพราะมันจะไม่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขมันจะกลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันเสียเวลาที่มันจากเราไป อันนี้คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้และได้นำเอามาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่จากจะได้ทรับภายในที่ถาวรรับภายในที่ <c oughs> ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดต้องกำจัดตันหาความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้ากาจัด ตานหาทั้งสามหมดไปได้ใจก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เสื่อมทรัพย์ภายในที่ได้สะสมไว้ในระดับพรหมทรัพย์ก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมากลายเป็นโล ก, กุตตะท ร, ร, รัพย์คืออยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโล ก, กุรรตตะแปลว่าอยู่เหนือโลกเหนือโลกโลกอะไรโลกกิโลกียะ โลกียะก็คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดจัตโลกทั้งหลายนี้ยังติดอยู่ในโลกะกกันในใโลของการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะยังไม่ได้กําจัดตัณหาทั้งสาม <c oughs> ให้หมดไปจากใจรู้แต่วิธีทำบุญทำทานรู้จักวิธีรักษาศีลรู้จักวิธี นั่งสมาธิทำใจให้สงบนะก็จะได้โลกิยทรัพยนะ์แต่ไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้หมดนะพอ อ, อำนาจของบุญกุศลที่ส่งให้ไปอยู่ในระดับสวรรค์ชั้นเหล่านี้พอมันเสื่อมลงมันก็จะถูกอำนาจของความอยากดึงให้ลงมาต่ำ ดึงให้ลงมาจากพรมวโลกสู่เทวโลกจากเทวโลกให้ลงมาสู่มนุษยโลกมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระอริยสัจสี่ก็จะได้รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากการมี กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยศีลผู้ที่ได้ไปถึงระดับสมาธิแล้วก็สามารถใช้ปัญญาได้เลย ถ้ายัางไปไม่ถึงระดับสมาธิก็ต้องสร้สางสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้ายัางไม่ได้ไปถึงระดับศีลก็ต้องสร้างศีลขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้ทำบุญทำทานก็ต้องสร้างบุญสร้างทานให้เกิดขึ้นก่อนถึงจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับปัญญาได้ ปัญญาก็เป็นเหมือนระดับปริญญาส่วนสมาธิก็เหมือนกับระดับมัธยมส่วนศีลก็เหมือนกับระดับปถมส่วนทานก็เหมือนกับระดับอนุบาลการศึกษาสมัยนี้ก็ต้องไปตามขั้นตอนจากอนุบาลไปสู่ ป, ปถมจากปถมไปสู่มัธยม มัธยมจากมัธยมไปสู่ระดับอุดมศึกษาถ้าไปสู่ระดับอุดมศึกษาก็จะไปได้ระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยทางพระพุทธศาสนาทางดำเนินของการสะสมทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันต้องเริ่มต้นที่การทำบุญทำทานแล้วก็ขึ้นไปสู่การรักษาศีลห้า แล้วก็ขึ้นไปสู่การรักษาสิ้นแปดจากสิ้นแปดก็ไปสู่การภาวนาสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานเพื่อจะได้มีกำลังที่จะใช้ปัญญา mm. ในการที่จะต่อสู้ในการที่จะทำลายตัณหาทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป ต้องมีจิตที่มีฌานมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญามีความฉลาดที่รู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการนําไปสู่การเสื่อมของจิตใจเป็นการนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นการนําไปสู่ความทุกข์นถ้าเห็นว่าการทําตามความอยากนี้นาไปสู่ ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่ทำหยุดทำไม่ทำก็ไม่ตายสําหรับผู้ที่มีสมาธิเพราะผู้ที่มีสมาธินี้ก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ยังไม่มีความฉลาดเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็อยากจะได้อยากจะทำทันทีแต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาว่าการไปทำตามความอยาก จะได้ความสุขปลอมมาแล้วจะกลายเป็นความทุกข์จะกลายเป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อได้เห็นด้วยปัญญาก็จะไม่ทำตามความอยากโดยเด็ดขาดพอไม่ทำตามความอยากความอยากที่มีกำลังอยู่ภายในใจก็จะหมดไปกำลังของความอยาก มันได้จากการทำตามความอยากยิ่งทำตามความอยากความอยากยิ่งมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าฝืนไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดนี่คือระดับของปัญญาการจะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีสมาธิเพราะถ้ามีสมาธิแล้ว เรามีความสุขใจเรามีความอิ่มใจอยู่แล้วดังนั้นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นการกระทาที่เสียหายเป็นการมาดึงใจให้กลับไปสู่ที่ต่าสู่การเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่ทำไม่ทำเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขที่เราได้จากสมาธิมันก็เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากการทำตามความอยาก เราก็เลยละความอยากได้อย่างสบายแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธินี่เวลาเกิดความอยากแล้วนี้ทนไม่ไหวเพราะไม่มีความสุขของสมาธิมาช่วยสนับสนุนก็จะต้องไปทำตามความอยากฝืนความอยากไม่ได้นี่คือสาเหตุทำไมจะต้องมีสมาธิก่อนจึงจะสามารถเข้าไปสู่ระดับปัญญา เพราะระดับปัญญานี้ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้เฉยๆการเรียนรู้เฉยๆนี้มันเป็นเพียงครึ่งเดียวของระดับปัญญาอีกครึ่งหนึ่งของระดับปัญญาก็คือต้องเอาปัญญาที่เราเรียนรู้นี้มาหยุดความอยากกันมาฝืนความอยากกันมาไม่ทําตามความอยากกันถ้ามีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ยังไปอยากอยู่ เห็นกาแฟว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังไปเดิมกันอยู่เห็นการมีแฟนมีครอบครัวว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังไปมีกันอยู่อย่างนี้มีปัญญาแบบนี้ก็ไร้ประโยชน์เปล่า mm. เพราะว่ามันยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้มันยังไม่หยุดดึงใจเราให้ไปหาความทุกข์จากสิ่งต่างๆได้ การมีปัญญาจึงมีไว้เพื่อสอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้ไปทําตามความอยากต่างๆแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิก็จะสู้ความอยากไม่ไหวสู้ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธิใจมีความสุขใจก็จะสู้กับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากได้แล้วก็จะสามารถ ฝืนความอยากได้ละความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้เนี mm hmm. ผู้ที่จะสามารถทําลายจึงต้องมีทําลายความอยากนี้จึงต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาอที่เราเรียกว่าภาวนามายะปัญญาภาวนาก็คือสมถภ า, ภาวนาคือสมาธินี้เองอปัญญาก็คือปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างเอ จึงต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งสมถภาวนาและมีทั้งปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ที่ความอยากอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขจึงจะสามารถละความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นอริยทรัพย์ได้เข้าสู่ขั้น โสดาบรรไดเข้าสู่ขั้นสกิทาคามีเข้าสู่ขัน้าาขขนอนาคามีและเข้าสู่ขั้นอรหันได้นต้องเข้าได้ด้วยระดับของภาวนามายปัญญาคือต้องมีฌานและมีปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ถึงจะสามารถเข้าสู่อริยทรัพย์ได้การจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสอนมาบอก ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาสั่งมาบอกก็จะไม่มีใครเห็นตายรักกันถึงแม้จะมีฌ า, านมีสมาธิกันแต่ฌานหรือสมาธินี้ก็สามารถระ ง, งับความอยากได้ในขณะที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากฌานออกจากฌานออกสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีปัญญาก็จะต้อง ไปทำตามความอยากนี่คือคุณของพระพุทธศาสนาคือเป็นผู้ที่นำปัญญาที่จะดึงจิตให้หลุดออกจากความดึงดูดของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่ดึงดูดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ กามตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหานี้เองแต่พอมีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาทรงสอนมาบอกให้รู้ว่าถ้าอยากจะหลุดออกจากกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดในใจพบก็ต้องทำลายกระแสที่ดึงดูดใจให้หมดไปจากใจก็คือต้องทำลายกามตัญหาภวะตัญหาและวิภาวะตัญหา ห้หมดไปจากใจด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยการทำทานก่อนทำทานจนกระทั่งสามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเพื่อจะได้ไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มรูปแบบคือในรูปแบบของนักบวชพอจะได้มีเวลาบาเพ็ญได้อย่างเต็มที่ ยังเป็นผู้ครองเรือนยังต้องทำมาหากินยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่จะไม่มีเวลาพอกับการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะมาใช้ตัดกระแสของความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีเวลาเต็มที่ต้องมีเวลาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มรูปแบบคือในรูปแบบของพระพุทธเจ้า ในรูปแบบของพระอาริยสงสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้เป็นนักบวชอันทั้งนั้นส่วนใหญ่อาจจะมีบางรายในบางกรณีที่เป็นกรณียกเว้นที่สามารถบรรลุได้ในขณะที่ยังไม่ได้บวชแต่ก็มีจํานวนน้อยมากแต่หลังจากบรรลุแล้วก็จะไปบวชกันทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับการอยู่แบบนักบวช เป็นกา ร, รอยู่อย่างที่ที่เป็นสุขที่สุดอยู่ไกลาจากความทุกข์ทั้งปวงอยู่แบบนักบวช ด, <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้าท่านยังไม่ได้เป็นนักบวชก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายให้ไปสู่จุดนั้นให้ได้เถิดพยายามทาบุญทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านกำลังมาทำกันในขณะนี้ ขอให้ทำให้มันมากขึ้นที่ขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะมีกําลังที่จะดึงให้ออกจากเพศของผู้คองเรือนเพื่อเข้าสู่เพศของผู้เป็นผู้นักบวชได้เพศของนักบวชได้เกิดจากการที่เราบําเพ็ญทานศีลภาวนาจนมีกําลังที่จะดึงจิต ด, ดึงใจให้ออกจากการเป็นผู้คองเรือน พอเมื่อเจริญในทางศีลทานศีลภาวนาแล้วจะมีความสงบสุขแล้วก็จะเห็นความวุ่นวายของการอยู่แบบผู้ครองเรือนว่ามันวุ่นวายมันเรื่องราวมันมากมายกายกองมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์อยู่รอบด้านสู้ไปอยู่แบบนัก บ, บวช ด, ดีกว่าไปอยู่กับความสงบไปอยู่กับความวิเวก เพื่อที่จะได้บำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ถ้าได้ไปถึงขั้นระดับนักบวดแล้วก็ถือว่าเข้าใกล้สู่พระนิพพานเข้าไปถ้าเพียรพยายามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยก็อาจจะถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ถ้าได้เป็นนักบวชถ้าได้บําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บําเพ็ญแล้วรับรองได้ว่าคําพูดของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นคําพูดลอยๆไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่พูดความจริงแล้วก็ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครผิดหวังเชื่อแล้วก็ได้ สมหวังตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดไว้ทุกประการแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นชาวต่างประเทศหรือเป็นชาวไทยเพศวัยนี้ไม่สำคัญสำคัญที่การบำเพ็ญถ้าสามารถบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้แล้วมันจะนำไปสู่การออกบวช อย่างแน่นอนฮะและจะนำไปสู่การบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเต็มรูปแบบและจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยรีบทำเสียเพราะนานๆจะได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะคอยสอนคอยบอก ที่จะคอยเตือนคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครมาคอยสั่งคอยสอนคอยบอกคอยให้กำลังใจเวลาทำความดีนี้อาจจะทอแท้เบื่อหน่ายได้โดยเพราะอาจจะเห็นคนรอบข้างเขาไม่ทำกันแล้วกลับไปเห็นกลับตาละปัดเห็นคนที่เขาไม่ทำความดีกลับได้ดิบได้ดี ได้ความสุขได้ความสนุกสนานเฮฮากันส่วนคนมาทำความดีนี้ต้องมานั่งน้ำตาตกในก็เลยอาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ไม่อยากจะทำความดีเพราะไม่รู้ว่าผลของความดีนี้อยู่ที่ตรงไหนผลความดีอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสงบสุขไม่ใช่อยู่ที่ความสนุกสนานเฮฮาอันนั้นเป็นความสุขความ สนุกสนานเฮฮาเดียวเดยวเดี๋ยวๆๆมันก็ผ่านไปความหมดไปมันก็กลับมาเศร้าซร้อยงอยเหงาว้าเวอีแต่ความแต่ผลที่เราได้รับจากการทำความดีคือการทำทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนานี้มันจะนำไปสู่ความสงบสุขภายในใจจะทำให้ไม่มีความรู้สึกเศร้าซร้อยงอยเหงาว้าเวแต่ไม่ได้เป็นการ สนุกสนานเฮฮากันอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสั่งมาคอยสอนฮะผู้ที่บําเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีกาลังใจเนี่เพราะเห็นพวกที่เขาไม่บําเพ็ญทานศีลภาวนานเขากลับสนุกสนานกันเขาอยากจะได้อะไรเขาซื้อกันมาอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเขาสามารถทาได้หมดเนี่ย เขารู้สึกมีความสุขมีความอะไรกันแต่เรามองไม่เห็นเวลาที่เขาทุกข์กันว่าถึงกับค่าตัวตายกันมันก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เขาสนุกสนานเฮฮากันเวลาที่ร่างกายหรือตัวเขาไม่สามารถหาความสนุกสนานเฮฮาได้เขาก็ตกอยู่ในกล่องทุกข์ของความเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าวเวยของความซึมเศร้าน และอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายต่อไปก็ได้อันนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้กันเพราะเวลาที่เขาซึมเศร้าเขาไม่ออกมาประกาศให้เราเห็นเขาจะมาประกาศให้เราเห็นตอนที่เขาสนุกสนานเฮฮากันเท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นผลที่ตามมาหลังจากที่เขาไม่สามารถสนุกสนานเฮฮาได้แล้วนี่คือ สิ่งที่เราต้องรีบพิจารณากันเพราะโอกาสหน้าโอกาสที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ข่าวหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้อีกหรือเปล่าถ้าไม่ได้พบก็คงจะไม่มีก็คงจะเป็นเวลาอีกยาวนานกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนานอันใหม่ดังนั้นขอให้เรารีบขวนขวายรีบตักตวงประโยชน์สุข ที่เราเพิ่งจะได้รับจากพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายเถิดเพราะเราจะได้รับสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจและทำให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาราโสยะธามมณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีริสะนิจังวุฒาปจายโน จัตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกัน แต่พอเลิกประชุมแล้วขออย่ามาถามอีกให้ถามไม่ถามเวลาจะเลิกจะมาถามตอบไม่ไหวเหนื่อยจะมีหลังใหม่ด้วยวันนี้เข้ามาเยอะไหมทาง Facebook. เ a c e ุ๊ o k f a c e b o ส k 3สามเจดสิบกว่าครับส่วน YouTube ก็ประมาณเกืกว่าก็ค่อนข้างที่จะเสถียรนะ เมื่อเช้าไม่ทราบถ่ายปินาบาทมาได้ไงคำ800คนครับอ๋อดูสดเะยติดตามสดก็มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาติดตามส่งข้อความเข้ามาคำถามแรกจากคุณพินแคนนะครับ นั่งภาวนาแล้วใจยังติดกับอาการชาที่ขาพระอาจารย์ให้พุทโธต่อแต่สักพักไปปวดชาขาอีกข้างต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรต้องพุทโธไปเรื่อยๆเพราะร่ า, างกายนี้เราต้องการจะปล่อยวางการภาวนานี้เพื่อแยกใจออกจากร่างกายถ้าใจยังไปพะวงกับเรื่องของร่างกายอยู่มันก็แยกออกจากกันไม่ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ เวลาใจเข้าสู่ความสงบนั้นนะ่ะเวลาที่ใจปล่อยร่างกายได้เห็นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราจึงต้องใช้พุทโธเป็นตัวดึงใจเราให้ออกจากร่างกายอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้จริงบ้างหรือไม่จริงบ้างบางทีมันก็หลอกเราจิตหลอกเราเองคิดว่าร่างกายพองขึ้นมาบ้างหดเข้าไปบ้าง อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆจริงหรือไม่จริงก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณจานะครับขอพระอาจารย์เมตตาช่วยตอบคำถามเมื่อเจริญวิปัสสนาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริตของเราเหมาะกับการพิจารณากายเน่าเปื่อยผูพัง หรือดูจิตเพื่อที่ถูกกับจริตของเราแล้วจะได้ไปได้ไวขึ้นครับ อ, อ๋อทางปัญญามันไม่มีจริตครอบทางปัญญามันเหมือนกันทุกคนมันต้องกำจัดดิเลตันหาคือความโลภความอยากต่างๆมันเหมือนกันหมดอยากอะไรก็ต้องตัดอย่างนั้นถ้ากับจริตชอบกาแฟก็ต้องตัดกาแฟชอบสุราก็ต้องตัดสุราชอบบุหรี่ชอบช้อปปิ้งก็ต้องตัดช้อปปิ้ง ชอบเที่ยวก็ต้องตัดเที่ยวมันไม่ได้อยู่ที่จริตมันอยู่ที่ว่าเราเราติดอยู่กับอะไรความอยากเราอยากได้อะไรเราต้องตัดมันไม่ไปทำตามความอยากให้เห็นว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่การกระทำไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำ <Yeah. S 2> ไปสู่ mm. ความทุกข์ที่ไม่มีวันหมด ให้เห็นอย่างนี้มันถึงจะหยุดความอยากได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักทำไมร่างกายเหมือนสั่นควบคุมไม่ได้แล้วสักพักก็สงบเป็นเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปรู้ว่าเพราะอะไรทำให้มันสงบก็แล้วกันจะเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องไปรู้ให้เรารู้ว่าทำยังไงให้ใจเราสงบแล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่านั้น การจะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติประครับประคองใจไว้ใช้พุทโธไปใช้ดูการลมการดูลมหายใจไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณ น, นิสากรนะครับเมื่อเช้าดูถ่ายทอดสดผู้คนใส่บาตรพระอาจารย์เราก็ยินดีและอนุโมทนาบุญด้วยแบบนี้เราจะได้บุญเหมือนเราได้ใส่เองหรือเปล่าคะ ไม่ได้หรอกคนบุญคนละอย่างกันเหมือนคนที่เชียร์นักนักมวยเวลานักมวยชนะเขาได้รางวัลคนเชียร์ไม่ได้รางวัลด้วยก็ได้ความมันได้ได้คนละอย่างความสุขคนละอย่างกันคำถามจากคุณลลนาชัยนะครับทานศีลภาวนาคืออันเดียวกันหรือเปล่าครับ การศีลภาวนามันก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานเริ่มต้นที่ฐานแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ศีลก้าวขึ้นสู่ภาวนาตามลำดับไปคำถามจะคุณหน่อยนะครับถ้ารู้จักลดความอยากในตัวเองรู้เฉยรู้นิ่งภายในสู่ภายนอกได้บ้างไม่หนักแน่นแต่ยังมองเห็นความโลภ ความอยากของคนอื่นแล้วเอาคิดปงเบื่อนายสอนใจตัวเองด้วยอีกทางอย่างนี้ทําผิดไหมเจ้าคะคือทำยังไงถ้าเราหยุดความโลภความอยากของเราได้ก็ไม่ผิดน แ, แต่ถ้าทําแล้วไปมองคนอื่นแล้วกลับไปโกรธเข้าขึ้นมาอย่างนี้มันก็ผิดเนี่ต้องละความโลภความอยากความโกรธต่างๆที่มีอยู่ในใจ จะด้วยวิธีการอันใดก็ได้ขอให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆของเรามันหมดไปก็แล้วกันคําถามจากคุณอุนะครับถ้าบวชเป็นพระหรือชีถ้าไปอยู่ในที่ที่หรือต่างประเทศที่ไม่มีคนใส่บาตรสามารถทําอาหารทานเองได้ไหมคะ เ, ออเขาไม่ทํากันหรอกเขาก็ต้องไปอยู่ที่มีคนใส่บาตรกันนะ จะคุณนันธิการนะครับเมื่อนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบแล้วมีแต่ความว่างกับจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวสภาวะธรรมเป็นเช่นนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วเจ้าค่ะควรพิจารณาทำอะไรต่อไปดีเจ้าคะก็พิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรายึยดยังติดอยู่กับอะไรก็ต้องพิจารณาให้ปล่อยวางให้ได้ ถ้าเรายังอยากกับสิ่งใดก็ต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางความอยากในสิ่งต่างๆให้ได้จกคุณอภัสรานะครับเรียนถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจ้าค่ะเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดจากร่างกายเช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เห็นหน้าคนนี้ก็จำได้ว่าเป็นใครได้ยินเสียงนี้ก็จำได้ว่าเป็นเสียงอะไรเข้าใจความหมายของขาดเสียงนั้นก็เรียกว่าสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็เรียกว่าสังขาร วิญญาณก็คือการรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายคำถามจากทาง Youtube นะครับกึ่งบอกเล่านะครับแต่เมื่อวานจากคุณออฟนะครับเมื่อวานแมวคาบลูกนกมาผมช่วยมันไว้ซื้ออาหารมาป้อนทายาให้แต่วันนี้มันตายเพราะป้อน อ, อาหารมากเกินไปสำลักขาดใจตาย รู้สึกผิดมากครับช่วยมันจากแมวได้แต่ต้องตายเพราะผมได้แค่คืนเดียวไม่กล้ารัตนาศีลเลยก็คิดว่าเป็นกรรมของมันและเป็นกรรมของเราคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่หนึ่งการที่เราพิจารณาบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตรอบๆตัวเราไม่มีอะไรเที่ยง จนเรารู้สึกเบื่อหน่ายเคว้งคว้างเราควรปฏิบัติกับความรู้สึกนี้อย่างไรดีคะควรพิจารณาไปเรื่อยๆไหมคะรู้ว่าควรปล่อยวางแต่เพราะทำใจได้ยากบางครั้งต้องกลับไปทำสมาธิก่อนเนี่ยเหตุของการที่ใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิมันก็แทนที่จะทำให้ใจสงบและปล่อยวางกับทำให้ใจเคว้งคว้า ง, างเพราะใจไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไม่มีความสุขในตัวเอง จะปล่อยก็ไม่กล้าปล่อยจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะยังต้องอาศัยมันอยู่ให้ความสุขกับเราอยู่ดะ้เราต้องสร้างความสุขขึ้นมาใหม่ก่อนสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราคอยออกไปพิจารณาสิ่งต่างๆว่ามันเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้สลัดทิ้งไปได้หมดตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ยังเสียดายอยู่คกนไม่เข้าขายไม่ออก รู้ ว, ว่าแฟนเป็นทุกข์แต่ก็ยังต้องนอนกับเขาอยู่นี่มันก็เลยจะทิ้งเขาก็ทิ้งไม่ได้เพราะทิ้งเขาแล้วเดี๋ยวก็ ว, าว้าเหว่เศร้าซ้อยห้อยเหงาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีสมาธิแล้วถีบส่งไปเลยถีบตกเตียงไปเลยข้อที่สองทำไมคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมเขาถึงไม่เคยรู้สึก หรือเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแบบเราคะบางครั้งก็ดูชีวิตเขามีความสุขดีเขากลับดูเราว่าแปลกๆเพียเพ้ยนๆเขาไม่มีปัญญาพอเขาเขาอยากได้แล้วเขาก็มุ่งไปหาสิ่งที่เขาอยากได้และเวลาที่เขาทุกขกับสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็มุ่งไปหาอย่างอื่นแทนเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะมามองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เขาหามันไม่เที่ยง เขเพียงแต่พอมันทําให้เขาไม่มีเขาก็ต้องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนเขาก็หาไปเรื่อยๆเขาก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เขาไปหาอยู่คุณธนันธนุดวัฒนะครับอันนี้เขาไม่ได้เขียนคําถามมานะครับแต่ว่าพระอาจารย์เมตตาอธิบายนะครับเขาเขียนว่าอยากนิพพานต้องตักนิพพานด้วยคืออะไรครับเห็นไม่รู้เหมือนกันอย่างนิพพาน อยากนิพานก็ต้องตัดนิพานอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคาถามจากคุณหนึ่งนะครับอับปปนาสมาธิกับพวังในฌานสี่เหมือนหรือต่างกันครับเพราะทั้งสองสภาวะไม่มีความคิดเป็นความสงบอย่างเดียว อ, อันเดียวกันน่นะอัปปนาสมาธิก็คือฌานสีนะ่นคำถามจากคุณชนะตนนะครับข้อที่หนึ่ง จะฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นภาวนามาย์ปัญญาที่เห็นได้ด้วยตนเองคือตนต้องทําตนเองให้พ้นทุกเองใช่ไหมคะก็ทุกคนก็ต้องทําเองเท่งนั้นแหละจะฆ่ากิเลสก็ต้องฆ่าเองคนเดินมาฆ่าให้เราไม่ได้หรอกได้ก็ดีได้นิมนพระมานั่งฆ่ากิเลสให้เรา <laughs> ข้อที่สองดังนั้นคนที่อยากหลุดพ้นสมาธิจึงสำคัญมากเพราะสมัยพุทธกาลคนที่มีสมาธิมากฟังธรรมประโยคเดียวก็บรรลุเลยโยมเข้าใจถูกไหมคะจะได้เน้นนั่งสมาธิให้เยอะขึ้นประกอบกับ ก, บการฟังธรรมที่ฟังประจำอยู่แล้วถูกต้องเนียพวกเราตอนนี้ปัญญาเยอะแต่สมาธิน้อยเลยเลยทำไม่มีกาลังที่จะฆ่ากิเลสนะสมัยพุทธกาลเขามี จมาที่มากแต่ไม่มีปัญญาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรุนี่ทุกคนได้ชานเงินหมดแล้วแต่ก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่มีปัญญาพอพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากให้พิจารณาเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างก็จะละความอยากได้ทุกคนก็เลยบรรลุ ก, กันได้ทันทีหลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม จะคุณศิริัต์นะครับพระอาจารย์เมตตาช่วยอธิบายสุขในกามสุขในฌานและสุขในนิโรธด้วยครับสุขในกามก็คือเราเสพกามเราดื่มกาแฟเราก็มีความสุขอันนี้เราสุขเพราะเรามีได้เสพกามได้เสพรูปสีงกลิ่นรสของกาแฟมันก็มีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากจะเสพอยากจะมีให้มันสุขเป็นนานๆแต่มันไม่นาน พ อ, อมันไม่นานก็เลยต้องอยากหามาเสพไปแล้วถ้าหามาเสพไม่ได้ก็จะทุกข์นี่เรียกว่าเสพสุขในกานสุขในฌานก็สุขที่เกิดจากความสงบนั่งสมาธิได้ฌานหนึ่งก็ได้ความสุขระดับหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลาดับของความสงบของฌานนั้นๆเรียกว่าสุขในฌานสุขที่สา ม, ม ส, สุขนิโรธอ่ สุกนิโรธหรือสุขนิพพานหรือเปล่าสุกนิโรธก็คือการดับทุกขนั่นเองดับด้วยปัญญานิโรธก็มีอยู่สี่ระดับระดับโสดาบันระดับสกิดาคามีอานาคามีและ อ, ลอลรรถอรหันต์ก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากการละความอยากได้เช่นละความอยากในร่างกายได้ก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์กับร่างกายกต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ไม่เดือดร้อนนี่เร็กว่าสุขนีโรธคําถามจากคุณปลายฟ้านะครับปัจจุบันโยมทําธุรกิจเปิดร้านอินเทอร์เน็ตรายได้น้อยมากแต่โยมมีเวลาเปิดดูธรรมะ และนั่งสมาธิจเจริญภาวนาตลอดเวลาแต่รายได้น้อยทําให้โยมให้เงินพ่อแม่ได้น้อยทําให้ท่านไม่สุขสบายทั้งๆ ท, ที่ท่านแก่แล้วแต่ถ้าโยมเปลี่ยนอาชีพโยมก็กลัวจะไม่มีเวลามากมายในการปฏิบัติธรรมแบบที่เป็นอยู่แบบนี้โยมเห็นแก่ตัวรักตัวเองมากกว่าพ่อแม่ไหมคะแล้วโยมคิดผิดหรือถูกในการดํารงชีวิตคือถ้าพ่อแม่พอมีพอกินก็ใช้ได้แล้วละ่ะไม่ต้อง อยู่ดีกินดีแบบเศรษฐีหรอกพอให้มีปัจจัยสี่เลี้ยงดูชีวิตของท่านได้ก็ก็สมควรแก่ฐานะแล้วเราก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของเราด้วยโดยเฉพาะในยุคที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นยุคที่เราจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเว้นว่าตายเกิดถ้าเรามัวมาแต่คอยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่ได้มาทาประโยชน์ให้กับเรา ยั้นถ้าเราทำประโยชน์พอให้ท่านไม่เดือดร้อนอไม่ทุกข์ยากลำบากอาจจะไม่แบบไม่แบบอยู่แบบรู้ลาอยู่แบบคุ่มเฟยเก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ท่านอยู่ได้มีปัจจัยสี่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้ามีความพอเพียงในรในปัจจัยสี่ก็ใช้ได้แล้วถ้าขาดแคลนก็ต้อง หามาให้มันพอดีให้พอเพียงแต่ไม่ต้องแบบต้องมีรถเบนซ์ขี่ต้องมีบ้านห้าล้านอยู่อะไรในธรรมนองนั้นขอให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายตามอัตภาพก็ใช้ได้แล้วจากคุณชนะตนนะครับถ้าได้สมาธิแล้วประกอบกับฟังธรรมเรื่อยๆ แล้วถ้าอยากอะไรยให้ฝืนไปเรื่อยๆสมาธิจะทำให้กิเลสเราอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนชนะมาในที่สุดใช่ไหมคะใช่ทาไปสมาธิกับปัญญาต้องมีปัญญาสอนใจด้วยว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขนะกคุณพานุวัตนะครับอาชีพพี่บ้านเลียงกุ้งขายมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเลี้ยงครอบครัวทาบุญทาทาน ทำนุบำรุงาศาสนาอาชีพที่ทำนี้บาปไหมครับถ้ามันตายก็บาปนั่นคำถามจากคุณหนึ่งนะครับวิธีการถอนจากอัปปนาสมาธิมาอยู่อุปจารสมาธิมีวิธีการถอยอย่างไรครับหรือต้องรอจนสมาธิถอนตัวเองแล้วจึงพิจารณาวิปัสสนาต่อมันก็ เรื อ, อุปจาระเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริตนิสัยของคนบางคนที่หลวงตาบอกพวกจิตผ่าผลเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติมันเข้าไปอัปปนาแล้วมันก็จะออกไปสู่อุปจาระไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นหลวงปู่มั่นท่านจะดูท่านจะติดต่อเทวดาท่านก็ต้องอยู่ในอุปจาระสมาธิคุณแม่แก้วจะติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆท่านก็ต้อง ออกไปอยู่ที่อุปจาระสมาธินี่ไอเรื่องที่ว่าเราจะไปไปไปจัดการให้มันออกไปได้เองหรือไม่นี้ไม่ทราบมัไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของจริตที่เคยฝึกมาแล้วคนที่ไม่เคยออกไปทางอุปจาระก็อาจจะไม่รู้จักทางที่จะออกไปก็ได้นะแต่การไปอุปจาระสมาธินี่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการไปเจริญวิปัสสนา งั้นถ้าเราไม่รู้จักทางไปสู่อุปจาระก็อย่าไปสนใจให้เราอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีคุณมีประโยชน์กว่าถ้าเรารู้จักทางออกไปทางอุปจาระถ้าเรายังยังต้องการไปทางวิปัสสนาอยู่เราก็ต้องดึงมันกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิเพราะถ้าไปอุปจาระสมาธิมันจะไม่มีอุเบกขามันจะไม่มีกำลังจะไม่มีความสุขแบบอัปปนาสมาธิ แล้วพอเจอกิเลสมันก็จะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอุปจารละสมาธินี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต่อการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นถ้าเราไม่ได้ไปทางนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่ถูกหรอกคนที่ไปทางนั้นจะมีปัญหาได้อย่างคุณแม่แก้วเนี่ยถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ดีๆคอยดึงให้กลับมาก็อาจจะไม่กลับมาทางอัปปนาสมาธิก็ได้ ก็นั่งแล้วมักจะไปเห็นพูดผีปีศาจเห็นอะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าเป็นความคุณวิเศษที่ได้จากการปฏิบัตินถ้าหลงยึดทุกครั้งนั่งก็นั่งออกไปเพื่อที่จะไปเห็นนเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีกำลังที่จะมาเจริญวิปัสสนาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานี่ถึงกับต้องขู่เลย ถ้าไม่เลิกไปทางอุปจาระก็เลิกเป็นลูกศิษย์เป็นเลิกเป็นอาจารย์กันสอนไปก็เสียเวลาสอนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อุปจาระสมาธิไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นอุปจาระสมาธิก็จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยิ่งผู้ที่ไม่ได้มีอุปจาระสมาธิก็อย่าไปสนใจแต่อุปจาระสมาธิก็มีประโยชน์ หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วอย่างพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นท่านก็ใช้อุปจารสมาธิในการสั่งสอนเทวดาทั้งหลายถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิก็ติดต่อกับใครไม่ได้เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราปิดเครื่องปิดเครื่องก็โทรเข้าไม่ได้โทรออกไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะติดต่อกับใครเราก็ต้องเปิดเครื่องเราก็ต้องออกจากอัปปนาสมาธิเข้าสู่อุปจารสมาธิ เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกับเทวดาหรือจิตของผู้อื่นได้จากทาง u ู u ูบนะครับคุณต้นทุนนะครับคนที่เริ่มปฏิบัติภาวนาจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเวลานั่งสมาธิแล้วใจสงบอยู่ที่ฌานหนึ่งหรือฌานสองสา ม, ส, ามสี่ถ้าไปอ่านหนังสือดูก็คงจะรู้ไปอ่านคู่มือดู่ า, านหนึ่งมีอะไรบ้างฌานสองมีอะไรบ้างฌานสามมีอะไรบ้าง แต่เวลานั่งอย่าไปอย่าไปนั่งดูว่าตอนนี้อยู่ฌานเทศท่าไหรนะ่ถ้านั่งดูแล้วมันจะไม่ได้นะเพราะว่าการจะได้ฌานมันต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวนอกจากเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเรามาเปิดหนังสือดูเอ้เ e, มื่อกี้เรานั่งมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้นะก็ดูว่าเขาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้อยู่ในฌานไหนก็อาจจะรู้ได้หรืออาจจะไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไะม่สำคัญเลย ขอให้เรานั่งเราสงบมีความสุขก็แล้วกันจากคุณบางออนนะครับฝากทำบุญเราได้บุญหรือเปล่าคะหมายถึงใครฝากอหมายว่าฝากคนอื่นทำบุญจะได้บุญเราเอาเงินให้เขาไปก็ได้ถ้าเป็นถ้าฝากปากเปล่าก็ไม่ได้ จะคุณบัณฑิตนะครับแต่ก่อนผมพยายามทําอุเบขาแต่บังคับได้ครั้งละไม่เกินสิบนาทีตอนหลังผมปล่อยหมดทั้งอุเบขาไม่บังคับมันกับใจนิ่งมากและได้เกือบตลอดเวลาแม้แต่คุยกับคนอื่นตอนนี้ผมดูใจแล้วมันจะปล่อยหมดจำความรู้สึกเดิมๆไม่ค่อยได้แล้วความทุกข์ในใจไม่ค่อยมีออกจากภายนอกกระแทกแรง ถึงจะรู้สึกเข้ามาในใจผมปล่อยวางเฉยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องอก็ให้มันเฉยไปมันจะมากระแทกแรงขนาดไหนก็เฉยได้ถ้ายังไม่เฉยก็แสดงว่ายังกำลังไม่พอกำลังของสมาธิอย่างเดียวไม่พ อ, อเวลาออกมาเผชิญเหตุการณ์ต่างๆนี่ต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถทำให้จิตมีมี ม, มีมีการคุม คุมคลองมีเกาะคุมคลองทาให้อะไรมากระแทกดังๆหนักๆก็จะไม่รู้สึกอะไรจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับถ้าวันนี้เราใช้บริการพุทโธอีกวันใช้การดูลมจะได้ไหมคะหรือควรเลือกอย่างเดียวไปเลยก็แล้วแต่ทำแล้วให้ใจสงบใจนิ่งใจไม่คิดปรุงแต่งก็จะใช้แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยกินข้าวผัดก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ กินข้าวต้มก็ได้ขอให้มันอิ่มท้องก็แล้วกันข้อที่สองถ้าเราดูลมแล้วพบว่าลมเบาลงมากจับลมจับลมได้ยากขึ้นเราควรย้ายไปบริการพุทโธใหม่คะถ้าจิตเรายังไม่นิ่งถ้าไม่ควรย้ายการที่ลมเราแผ่วมากเราควรปฏิบัติอย่างไรคะก็รู้าเฉยๆเล่าว่ามันแผ่วแม้กระทั้งมันรู้ไม่รู้ลมก็รู้กับความว่างไปรู้กับความไม่มีลมไป ให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปทำอะไรเราฝึกเพื่อให้ใจเข้าสู่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองพอไม่มีลมให้รู้ก็ให้รู้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปตอนนี้คำถามหม ด, หมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ คิดว่าวันนี้พอสมควรสช้เวลาก็าขอให้ท่านทาั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินด้วยคาไปพิรุธพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด